Book 2 9เก้าเก้าวินัสเดคมแสดงความเป็นเจ้าของคิลลเมนิงคัสแมวของแฟนดิฉันมาโนดรากสคาต้ สุนัขของแฟนดิฉัน m a n u d r o g u ช h o ของเล่นของลูกดิฉัน m a n u Velkujesle นี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Day m a n เ b e n d เ r ร b u b a l t u s นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Tai mano m tai, mano um a n โน e n d เด d a r b i ร์เบสอ o โตโ i บิล n ์นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเตย์มาโนเบนเดอร์ดาร์บูดาร์เบสกระดุมของเสื้อหายไปมาร์ชกิโนส ga อิส u ู k กกุญแจโรงรถหายไปดิงโกการส คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียเ h e f ฟคอมพิวเ r อร์สอิราสูเกใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคาสอิราเมอร์เกติสเดวิดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรเคลฟมันอติวิก jū ยุสติวูนามอสบ้านอยู่ตรงสุดถนน Namas ุลสวิตเซอร์แลนดเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรเทพวดนาสิชเวซาริโ s โซสตินิหนังสือชื่ออะไรโคกสิร์คเนี a โกสปาเวเดนิมัสลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรโค i เยเกมินูไวโคเวเด โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหรคันดโมคิวตุสโตโกสคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงโคคุชูกิดิโตเปรมโมบาลันดสเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรโคคุซิร์มูซิโอสดาร์โบบาลันดุส